ไม่ได้หัวชักโคกอย่างทุกวันนี่มันเป็นอส้วมเป็นทายขึ้นไปขึ้นทําล้านขึ้นไปแล้วก็ทายลงไปในหลุมอแปลว่าเอส้วมบ้านส้วมเมืองอะ่ะแต่เี่ก็พอเทวบุตรเทนั้นก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์พอตายไปแล้ว เ, เพื่อนของเราไปไหนอนอเออะใครเข้าว่าท่านมีญาษษณทัศนะมีฌานใช่ไหมมีความรู้พิเศษ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 ข้าอยู่บนสวรรค์มีความสุขยิ่งกว่าอะไรแต่ทาไมตาแก่ยังมาเป็นอย่างนี้แนนอนก็เลยถามว่าเป็นไงดูสวรรค์การเป็นอยู่อยนึกคิดเรื่องอะไรเนยึกนึกอยากจะได้กินอะไรอยากจะไปไหนนึกอของที่ผลหลังไหลามาเลยเเสวยได้ความมีความสุขตามต้องการออ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 ไปเรื่อเนี่ยต่อไปก็มีสติสัมปชัญญะกูอยู่กับตัวเองจะคิดจะพูดจะทําอะไรมีสติสัมปชัญญะเหมือนกับรถมีเบรกเนี่ยเราจะมีเราจะใช้คันเร่งเราจะให้มันไปมันก็ไปได้อพอมันไปแล้วก็เออมันมีอันตรายแล้วก็มีสติคอบดูแลมันอยู่มีก็มีเบรกในสิ่งที่มันไม่ควรไม่ต้อไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนี่แหละคนที่